มันเกิดจากการกระทำะเรื่องตั้งแต่การรู้จักคบเพื่อนการไม่คบคนพานการครบบัณฑิตหรือการครบกะะัลยาณมิตรและสิ่งที่เป็นมงคลอีกส่วนก็เป็นเรื่องของงานด้วยนะในมงคลสามสิบแปดก็จะมีพูดถึงเรื่องงานอยู่อย่างน้อยสองก็คือการงานที่ปราศจากโทษและการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสน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 มันต้องอาศัยชีวิตนะอาศัยฐานนะอาศัยฐานก็คือชีวิตด้านในนะซึ่งก็หมายถึงจิตใจเป็นสําคัญนะจิตใจทํามันคงเนี่ยมันก็เหมือนกับรากที่ลึกก็จะเป็นฐานให้กับการทํางานได้นะถ้าเราทํางานเนี่ยรับผิดชอบสูงมีงานเยอะนะแล้วก็เป็นงานที่มีความสําคัญแต่ว่า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 แล้วก็ทุ่มเทกับงานแต่ว่าใจเนี่ยนะไม่มัน่นคงใจไม่มั่นคงนี่ก็กลายเป็นว่าพอเจออุปสรรคเจอความล้มเหลวนะเจ อ, เ, อเสียงติฉินนินทาวิภาวิจาร์นะก็จอมแพ้นะเลิกลาหรือว่าเครียดเข้าโรงพยาบาล น, นะเพราะว่ากุมอกกุมใจหรือว่า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 แต่ท่านก็พูดอยู่เสมอว่างานล้มเหลวแต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวหมายความว่าท่านไม่ได้ทุกข์ด้วยเพราะว่าท่านไม่ได้เอาตัวตนหรือคุณค่าของตัวเองเนี่ยไปผูกติดกับผลของงานนั่นจะพูดว่าค่าของคนยุติผลของงานเนี่้มันก็ไม่ถูกทีเดียวนะแต่มันก็ดีกว่าไปเอาค่าของเอาคุณค่าไปผูกติดอยู่กับความมั่งมีความร่ํารวยหลายคนนี่ค่าของตัวเองไปผูกติดอยู่กับสินค้าแบรนด์เนม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 ก็สนใจแต่ว่าเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวให้ดีเท่านี้ก็พอแล้วถ้าเดินไปไม่หยุดถึงแน่เนะ้วก็ทำสำเร็จนะตั้งที่บางเสียงเป็นเสียงตายเนี่ยตอนนั้นใจเขาไม่พ้วงเลยนะว่าท้าพลาดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นใจไม่ได้อยู่ที่จุดหมายข้า ง, างหน้าและใจก็ไม่ได้สนใจพื้นดินข้างล่างนะมันอยู่แต่ว่าเท้าสองข้างเนี่ยขี่เคลื่อนขยับนะไปทีละก้าวทีละก้าว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 หมอก็ถามต่อไปว่าโอ้โหต้องศึกษาปีใช่เหรอนะแล้วทำนี้ไม่เบื่อเหรอนะคุณลุงแกตอบดีเลยว่ามันจะเบื่อได้งไงนะสนุกสนุกออกนะทำไมถึงสนุกละ่ะนะแกบอกว่าเนี่ยเวลาผมอยู่ตรงนี้เนี่ยรถจะเข้ารถจะออกเนี่ยมันก็ต่อเมื่อผมสั่งนะถ้าผมบอกให้หยุดรถก็ต้องหยุด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 และทําให้เราสามารถจะใช้พลังงานของเราเนี่ยลงไปในงานนั่นได้โดยที่งานก็ทําให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวเองหรือชีวิตด้านไหนก็ไม่ได้ทุกยากอะไรนคนเราเนี่ยถ้าทํางานเกิดประโยชน์กับผู้อื่นแต่ว่าจิตใจยําแย่นะชีวิตส่วนตัวอยําแย่เนี่ยมันก็เรียกว่าเสียเสียโอกาสนะ